สมชายมันห่องหลวงพอ่อว่าว่ามันฝนสิตกว้าวว่ะโอ้ยบอกคือนเขานวะ่ะบานนั้นแหละสมชายมันหูจักกรเฮ้าว่ะ่าเมันขึ้นกับฝนตกอีกอ๋โอ้แห้งมันขึ้นใช้ได้แต่ว่าเสียงฟ้าน่เตะหน่ากลัวเสียงฟ้าดังจนได้ดงนะพวก้องสะนันวันไว แล้วก็พี่น้องพี่น้องจากในอำเภอโน่นท้องบอกตำบลโน่นท้องเข้าเนี่ยมาซอยทำความสะอาดวัดเมื่อวานเก็บใบใหม่ตำหนักประมาณแปดสิบหม่ามาวันเมื่อหนึ่งจะมาอีกมาเมื่อนี่งลยคมาวันที่สิบวันที่หามาวันที่หาที่หกที่เจ็ดที่แปด ที่เก้าที่สิบสิบาอีกแล้วก็อำเภอเฮ้าทางอำเภอเพึ่งมาบอกลงพอว่าวันที่สิบพึ่งจะมาทําพิธีมุดหนามดาหัวคู่บาจานพระสงฆ์ในทองทินวันที่สิบพึ่งจะเขามาวัดเท่านะแล้วก็วันที่สิบสีบส พลชิ เ, เขามาประดับทงกันบมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแล้วก็วันที่สิบหกทุ่นก็มองฟ้ายจิงสเส ด, ดตามที่ทางอำเภอมาบอกนะแต่หลวงพ่อก็พลขบวบเนะมียนี่ยมีถึทางอำเภอมาบอกหลวงพ่อก็รับทราบที่สิบหกข้าวหนียคงจ ะ, สะเสดพักสเส ด, ดประทับอยู่สองคืน ที่ส6บหกับสิบเจ็ดคงจะเด็ด ก, กับบันที่สิบแปดที่ทางประหลัดอำเภอเขาเมาแจงข่าวเพรานั้นพอให้พี่น้องลูกหลานทุกคนนะซอยกันเป็นกำลังซอยกันดูแลความบกพร่องในวัดของเฮ า, าในแดิสมบูรณ์บริบูรณ์ซอยกันเด็ดซอยกันทํา เปิเ้ลเจดีมากนะว่าเป็นมหากรุณาธิคุณอย่างมากจิตทุ่ทนเจดจกระมเนิจิตทุท่นได้ไง่ายๆเบอกเจิตทุ่นได้ง่ายๆเพิเ้ลเจดมากเองเน่ยเปิความเคารพนับถือเพิ้นเป็นพุทธมามะกะพุทธศาสนาธนรรมภพหาได้ยา ต น, น, นเพื่นมาว่าเท่ากันะว่าเป็นมหากรุณาธิคุณยังยิ่งวันนั้นพวกข้าเป็นประชกในกรในทองทิ่นเท่าก็ช่วยๆกันเบิงอ่ะนะความผอมความเรียบร้อยหลวงพอ่อเคยพูดว่าถงเจ้าฟ้าเจา้าเพนดินท์เขาจะไปมองขา่ามบ่ใดสถาบันสามศาสตร์ศาสนาพระมหากษัตริย์ประเทศไทยมันเป็นประเทศของ ขนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งขนาดใดขณะหนึ่งเป็นคนของทุกคนติ่อยู่ในชาติหกสิบกว่าล้านคน้นเป็นของคนทุกหกสิบกว่าล้านคนบ่เหมืนคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งข้อนที่จะเป็นหกสิบล้านคนนเป็นมากจังไหร่ก็ต้องมีประวัติศาสตร์คือคําพระพุทธศาสนาของเฮ้าเนะ่ะพระพุทธศาสนาของเฮ้ากับเป็นมาโดย ดยประวัติศาสตร์ขึ้นกันให้พวกเฮาอ่านมาแล้ศึกษาพระไตรปิฎก8 000, 000ปดหมืสี่พันพระธรรมขันภร์พระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกสองพันหารอยกว่าปีแต่เมืองไทยของเฮานี่เป็นเอกราชเรียว่าเป็นกุงรัตนากูสินเรือบสองร้อยกว่าปีหน่อยเดียวเองแต่พระพุทธศาสนานี่ยสองพันหารอย อาชิพาปีแล้วอันนี้คือพระพุทธศาสนาะก็ต้องอ้างอิงประวัติศาสตร์ขึ้นกันพระพุทธศาสนาเป็นมาได้อย่างไรใครเป็นคนก่อตั้งใครเป็นคนเริ่มต้นก่อนที่จะเริ่มต้นนั้นเริ่มด้วยพิธีการอย่างไรรู้เห็นอย่างไรจึงได้นำพระธรรมคำสอนออกมาประกาศเผยแพร่ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษา เป็นมาอย่างไร เ, เพราะนั้นมาถึงยุคของเฮาวเวลาสิวัยพระสวดมนต์เฮาก่กราบอ拉หังอลาหังสวาคาโตสุปูปติปัโนโรอลหังคือกราบประวัติศาสตร์คือกราบพระพุทธเจ้าอลหังกราบพระพุทธเจ้าเป็นตนศาสนาเป็นตนพระพุทธศาสนาขออภิวาทขอกราบไหว้ผู้ตนพระศาสนา สวากาโตพระคาวตาธ่าโมพวกข้าพระเจ้าขอากราบขออภิวาสขอากราบไหวขอากราบไหว้พระถรมคําสอนของพระพุทธเจ้าสุปฏิปโนพระคขาวาโตข้าพระเจ้าขอากราบอภิวาสขอากราบไหวพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่นําพระธรรมคําสอนมาประกาศมาเผยแผ่ให้แก่พวกเฮาได้หูได้หูจักขันโมมีพระสงฆ์ นั่พระธรรมคําสอนมาบอกมาเกาวพวกเฮาขบวงจักความดีความชั่วศีลธรรมเป็นยังไงเฮาขบวงจักไม่ได้เฮา็ย้อนไปถึงประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาจวบนะโมตัสสะพระคัวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะเนี่ยข้าพระเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นให้ใค่ายบ พอกนอบพอมพระพุทธเจ้าต้นศาสนาต้นระศาสนาอันนี้คือเข้าต้องอ้างอิงประวัติศาสตร์ยูตลอดพุทธศาสนาศาสน า, าคิดอิสลามขึ้นกันเขาก็ต้องพระย่า ว, ว่าพระอัเลาะเรืยกว่ า, าศาสนาแต่ก็ต้องตึกอ้างถึงาศาสนาต้นาศาสนาเขาต้องอ้างประวัติศาสตร์แล้วเมืองไทยของเขาด่ะมีบ่มีประวัติศาสตร์ เกิดมาไมีแต่อภิสิทธิ์ท่านนายกอภิสิทธิ์คับนายกปู่เท่านั้นเดียิ่งหลักเท่านั้นเดีบ่มแมนแล้วความเป็นมากของประเทศไทยเป็นมากจังใดไผเป็นผู้ปกครองประเทศชาติมากเข้าต้องนึกถึงประวัติศาสตร์เปิ่นเอ่เลือดอาบแผ่นดินมากต่อใดไผเป็นหัวหน้าสมัยพระนเรศวรก็ไม่ใช่ย่อย สมัยพุทธยอดฝ่าก็ไม่ใช่ใย่อยพระยาตากสินก็ไม่ใช่ย่อยอพ่อคุณสีอินทราธิพ่อคุณล่ำกําแหงรักษาประเทศชาติบันเมืองมากเลือดท่าแผ่นดินมากไม่ใช่น้อยจนถึงมาราชการที่ศีที่หาออาประเทศชาติหนีออกจากต่างชาติที่จะมาครอบครองเป็นทุกเป็นหล่อนเออพ่อแห้ง ก็อยเอาพลปากเยียวปากกามาเป็นเอกราชของชาติไทยนี่แหละคือสถาบันกษัตริย์ที่ปกป้องประเทศจนปกป้องมาจน ถ, ถึงลูกทั้งหลานทุกมือนี่จนถึงราชการที่หาราชการที่หากราชการที่สี่ก็ใช่ย่อยที่พวกเข้าในนับถือพ่อแม่คู่บาจานึงคือราชการที่หา ขันเว่าผมมีเจ้าแผ่นดินนี่ไหวยอยากหัววันไปจิบตอมกันใดท่นปุชัยอำนาจยังเด็ดขาดนี่แหละจนถึงราชการปัจจุบันด้วก็เถอะโครงการพระราชดำริที่เท่าไหร่ไผ่ที่แข็งกันใดนับหนึ่งสองสามสี่หาที่มานับใส่เจ้าแผ่นดินพระเจ้าไปนดนินดูแล้วถ้าว่าคิดโดยเป็นถ้มนะเดีย๋ยวคิดในอคติ ว่างใหญ่ให้เป็นกลางสกอยังคอยคิดบ้านเมืองเดือดร้อนมากกับเจ้าฝ้าเจ้าแผ่นดินออกมาปกป้องแล้วก็เรื่องต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเพิ่นทำคุ้นคุณโอภการให้แกประเทศชาติมากมากไ ม, กม่ซึ่งเรานี่พวกห้อเป็นประสงค์ในก่อนหรือค้นในชาติจะมีหัวมีสติมีปัญญามีความคิดเขาต้องคิดทบทวนดูให้ดีอันนี้แหะคือพระคุณ ขึ้นกันขะพ่อแม่ของเข้าถึงพ่อแม่ของเข้าจะยากจนถึงขนาดไรก็าตามเพิลนน่ไม่ให้ที่ให้ทีหน้าเลี้ยงเข้ามากเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมากแต่สมัยเพิลนกบจะเริศแต่พวกเข้ามากทาการทํำงาน ล, ลําุ้ยกว่าพอ่อกว่าแม่พามา ถ, ถึงยุคเข้าแล้วเขาจิปิดาพอดาแ ม, จแมจ่จึงสั่นแมนบล์อออีจังสั่นบักจึงสีผ้ากูถูกกูอยากมาก การแมนค น, นเห่าผูมีได้รับการศึกษาผูมิคุณธรรมศีลธรรมจริยาธรรมนะผูมีจริยาธรรมที่ดีผูมีคุณธรรมในจิตใจเขาก็จะตองว่าอีนี่บักนี่มันเน่ละคุ้นพอแม่ฮะบนาครบบนานับถือเดื่อมใสมันบนาคบเป็นมูเป็นเพื่อนอีนี่บักนี่มันไม่เน่ละคุ้นพอแม่ฮะ เพเหตุใดพ่อแม่เลี้ยงมาถึงขนาดนั้นยางหน่อยถึงจะยากจนกับเคนกเกลี้ยงเฮ้ามาแล้วก็มีแผ่นดินให้เห่าอยู่ถึงจะบ่าลบาบ่ลวยก็จริงยุ่แต่เคนก็ได้เลี้ยงเฮ้ามาเลยที่ดินเข้าก็มีอยู่มีกินขันเหาอยากหางอยากเมี่อยากลําอย่ลุวยก็เฮ็ดเอาเอาถอะแม่เอเพิ่นไห้เลยเด้ขาสองแขนสองสีสะหนึ่ง เ, เพิ่นไห้แหละเข้ากับพ่อมที่จะกระโดดออกไปเน่ กลางมหาสมุทรทะเลในทะเลกว้างข้าสิีเห็ดแบบใดอย่างใดมิตรจะเลื่อนุ่งเรื่องนั่นใดมิห้างสิมี่นั่นอย่างใดมิตรมีความลมเย็นเป็นสุขเพิ่นเห็ดเพิ่นหาให้แล้วต้นทุน่นนี่คือ ก, กันเจ้าฝ้าเจ้าพผ่ดิ น, นเพิ่นปกป่องประเทศชาติมาให้แล้วเพิ่นรักษาประเทศชาติมาแล้วออกจากปากแห้งปากกาออกมาัวเจถ้าเล่าอ่านดูประวัติศาสตร์ คนประเทศชาติมันต้องมีประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาก็มีประวัติศาสตร์ทกศาสนาต้องมีประวัติศาสตร์ให้ตระกูลของเข้ากับมีขึ้นกันเขาต้องนึกย้อนไปหาพ่อแม่ปุยาายาแต่ย่ายหเข้าขึ้นกันเพิ่นภารเพตุภารธรรมมานยังไหนที่ดินที่ดอนเพิ่นเลี้ยงเข้าม า, ากยังไหนต้องมีประวัติศาสตร์ขึ้นกันเพรอะนั้นเมื่อมีประวัติศาสตร์จังสั่นแล้วเข้าควรปฏิบัติตนจังไหนมันจึงจะเหมาะสมมันจึงจะถูกต้อง ตอนผูมมีอุปการะกุนเกี่ยวกบุพภาการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนพวกเขาจะแสดงความกระตันอยู่กระตวเวทิตาอย่างไรต่อพระคุณเหล่านั้นเนี่ยเราทรงพอเลี่ยงลําดับแต่ยว่าบุพภากาลีข้ามนีบวเมนต่พอกับแม่ท่านัอะไรขั้นเขาว่าวกกับพอกับแม่กัแมนพอกับแม่นี่เป็นบุพภากาลีเห็นชัดๆคือได้เลี่ยงเขามากอุ้มทองมาต่อได้เก่าเดือนซิปเดือน ก่อนจะได้ลูกมากก่อนจะได้ห้าวออกมาจากท้องแม่เพิ่นอุ่มมันจะเท่าไหรถึงจะพ่อใจเพอพ่อใจจังได้เพิ่นอุ่มมากเพิ่นกระหักเพิ่นก็ะเลี่ยง พ, พกหัวเข้ามากจนเป็นไงเป็นโตจนได้เฮียนสือจนได้เป็นคนริบคนดีมากปานนี่ฮนะั่าเข้าจะบระลึกถึงบุญคุณของพอ่อของแม่จะเล่ยจะแสดงว่าเข้าเป็นพ้อนอากตัญยู่อย่างทีวานะนี่แหละอันนี้ก็คือพ่อแม่ในแน่นอน หลวงพ่อเลี่ยงลำรับหายฟังเน่ยคือพระพุทธเจ้าอย่างที่หลวงพ่อได้พูดน่ะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อันนั้นเป็นบุพะการิส่วนหนึ่งคือให้แนวความคิดให้หูจักดีหูจักชั่วรู้จักบาปบุญคุ้นโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามีมากแปดหมสีพันพระธรรมมาขนศีลหาอย่างที่ดาวร้คิดตรงนู้ศีลหาของพระพุทธเจ้าจะนํามาเคศียผู้มือในลมร่มเย็นเป็นจุก ไปเสียอ่างกฎหมายประเภทใดเขาก็ต้องอ่างถึงศีลธรรมจริยธรรมธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอ่างถึงศีลหาอ่างถึงจริยธรรมอ่างถึงคุณธรรมทุกวันนี่ยมันเป็นอย่างเพราะมีมี่ฮิริโอ ต, ตปะนะเขาก็ว่ากันกันฮิริโอ ต, ตปะซับใดมี่วในศาสนาอื่นฮิริคือความละอายแก่ต่โอ ต, ตปะคือความขวัวต่อบาปบอมมีในใจิตใจในมวลมนุษยชาติไทยองเห่าอยากจะหาความจเจริญลุงเรื่องบอ่อใดมีแต่ ความหายยนะนี่แหละอันนี้ก็คือพระพุทธศาสนาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพูนสอนไว้แล้วพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองเป็นบุพภาการีอันดับหนึ่งพระธรรมคําสอนของเพลินก็เป็นบุพภาการีที่เป็นประกาศออกมาเผยแผ่ออกมาให้พวกเข้าได้เข้าใจเรื่องดีเรื่องชั่วต่างๆแต่เล่าได้ศึกษาแล้วเขาก็เปรียบเทียบ ถำคํ า, าสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยว่าพระธรรมคือคําสอนอนนเนเข้าก็เป็นบุพภะการีอีกส่วนหนึ่งบุพภะการีที่สามก็คือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าถ่าว่าพระสงฆ์บนระธรรมคํ า, าสอนออกมาพวกเข้าปูหูเกิดมาถ้ำคํ า, าสอนของพระพุทธเจ้าก้งจะมดไปในรข้างพูนละข้ง 2, างงพั้าร้อยกว่าปีเมือ่อพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วก็มดทาาว่าพระสง์บน้ำถ้ำคํ า, าสอนออกมาประกาศเผยแพร่ให้แก่พวกเขา้า พระสงฆ์เป็นยุกๆุกที่นั่งพระถ้ำข้าสอนออกมาประกาศมาบอกกล่าวถ้ำข้าสอนของพระพุทธเจ้าเนี่มีประโยชน์จังสี่เน้อดีจังสี่นี่มีคุณค่าจังสี่เน้อมีประโยชน์จังสี่เน้อนี่แ่ะให้พวกเข้านั่งมากคิดนั่งมากันกองไตรตองโดยเหตุผลเน้อมีแต่ความสงบลมเย็นเป็นชุกเด้คันว่าพวกเข้าบมมีศีลผมมีถ้ำมีแต่ความเรือร่อนเน้ยข้นผมมีศีลหายเน้มีแต่คิดจะขากันเป็นอย่างไรข้นบมมีศีลหา คิดแต่ขโมยกันน่ะเต็มบ้านเต็มเมืองจะเป็นยังไงคนบ่มีสินห า, อาบอคอลบชิดสามีภรรยาผู้อื่นละลาบละห่วงสามีภรรยาคนอื่นเบียดเบียนลังแกผู้อื่นเขานะี่ยเป็นยังไงคนถ้าไปเห็นแต่คนกี่ตัวทั้งหมดเต็มบ้านเต็มเมืองเป็นยังไงไปใส่ให้ในค้นกินเหล่าเต็มบ้านเต็มเมืองเป็นยังไงอันนี้คือสินหาแล้วคานว่เาเฮามา ผู้บายจารย์เพิ่นนําสินหามาประกาศมาบอกกลาวที่เข้าก็ชึ่ง อ, อืละแม่นีลีคนบ่มีสินเ่งคบบ่ได้แล้วคนบ่มีท่านแหลนะบ่เนี่ยคนบ่มีน้าใจอยู่ไรด้วยกันบ่ ม, มีการเสียสละต่อกันไปเยี่ยสายกับขี่ที่ขี่เหนียวไปมด้งหาความไว้วางใจกันไดจังใดวนะบ่ ม, มีน้าใจต่อกันนี่แหละสรุปแล้วก็คือท่านสินของพระพุทธศาสนามีประโยชน์อย่างว่าเป็ น, ปนบุพการีส่วนหนึ่ง คือพ่อแม่คือพระพุพธิเจ้าพระธรรมประสงค์ในบุพการี่ต่อมากระเนเรื่องพ่อแม่ของเฮ้าผู้เรียงดูห่อมาแต่อ่อนต่ออุ้มทองมาตั้งแปดเก้าเดือนจากนั้นมากก็ได้ลูกออกมาเยอประครบประหงดูแลเลี้ยงดูลูกของเพินให้ได้รับความสงบดูเย็นเป็นสุขเจ็บไข้ได้ป่วยพ่อแม่เบิกมัด ตลอดถึงการอยู่การกินตลอดให้การศึกษาเบื้องตน้นลูกเอ้ยอันนั้นห่อนนะอันนี้หนาวนะหมผาจังซีนะพับภายจังซีนะทำความสะอาดจังซีนะพ่อแม่สอนก่อนเพื่อนอันนี้ว่าบุพภการีเนี่ยเป็นอาจารย์เป็นบุพภกา ร, เการีเป็นบุคคลผู้มีอุปกร่์หรือว่าเป็นบุพกาจารย์เป็นอาจารย์ของบุตริดาคนแรก เป็นอาจารย์คนแรกเป็นบุพผาอาจารย์เป็นอาจารย์คนแรกคําว่าบุพผาอาจารย์คำนี้เข้าจะไปหาซัพ์มาจากไหนซั์มาจากพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าใช่กันคือบาลีเป็นบอกบุพาอาจารย์เป็นอาจารย์ของของบุตรธิดาคือพ่อแม่นี่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งผู่เตียงดูห่ามาเป็นผู้มีอุปกรณ์คุ้นเข้าเมื่อยา่ขึ้นมามีขอบมีขั้วขึ้นมาแล้ว เฮ้าจะแสดงความกตันยู่งจังใดกับพ่อแม่เมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วพ่อแม่เลี้ยงดูเข้ามาแล้วเฮ้าต้องเลี้ยงท่านตอบนะอันนี้คือแสดงความกระตันยู่ลไรได้บนางเมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทำกิจธุระของท่านดำรงวงศุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศ ส, สวนกุศลให้ท่านอันนี้คือ นาที่ของบุ ธ, ธิดาจะต้องตระหนักต้องคิดไปอยู่เสมอเมื่อพอแม่มีอุปกรณคุณเป็นบุาการีแล้วเข้าข้นจะแสดงความกระตันยุ่งจังใดกับพอกับแม่อันนี้คือหลักของพระพุทธศาสนาเพื่อนบอกไว้ยังสั้นได้เพื่อนสอนไว้ยังสั้นได้ในพระในหลวกเข้าได้ศึกษาดูสิมันจริงไหมเ อ, อเมื่อพอแม่เลียงดูเข้ามาแล้วเข้าต้องเรียงเพื่อนตอบเข้าจะไปดูถูกเหยียดนะครเพื่อนใดจังใดบักยังสั้นอีย e ังสี่ยังสี่มันแมนบอก ข้าเนวิตังจันก็แสดงว่าลูกผู้นั้นเป็นคนอัตันอยู่ไม่รู้จักบุญคุณผู้มีพระคุณมาก่อนอันนี้แหละคือสิ่งมูนีเฮาต้องคิดเข้าเป็นพุทธศาสนากระชนเลยอยู่ในพระธรรมคําสอนของพระพทุทธเจ้าพนสอนไว้วัดจา้านายก็ต้อมา ก, กับเจ้าฝ้าเจ้าแผ่นดินอย่างที่หลวงพอ่อเดวาวก่อนที่พู้เข้าจะดิด้วเย็นเป็นทุกขในพื้นแผ่นดินไทยไผเป็นผู้ปกป้องไผเป็นผู้ควบคุมอ่เป็นผู้ดูแลประเทศชาติมาก อสมัยก่อนนานี้กันนะั้นทั้งอังกฤษทั้ทงฝรั่งเศสเขาจิแยกประเทศไทยเป็นสองภาคเอาแม่น้ำเจ้าพญาเนะี่แม่น้าเจ้าพระญาเป็นแดนกลางอังกฤษเขาก็จีเอาทั้งตะเวนตกฝรั่งเศสเขาก็จิเอาทั้งตะเวนออกในทินนี่มันแ ม, นม่นมืดเตะเล่ า, ขาเขมรเอีย ด, เ ว, ยดเวียดนามฝรั่งเศสเขยึดมัดละ่ะทั้งภูนกันนะอินโดมาเลสสิงคโปร์พมา่านี่แต่ประเทศไทยประเทศเดียวอหลอมอม ประเทศเล่านั้นแมนบอทีวอลเนี่ยทีหลวงพ่อวอลเนี่ยบอแมนเป็นประเทศกี่ขาเขาขาฟันลั่นแท่งกันเท่าไหร่เขาเหยียบย่าหัวจิตหัวใจเท่าไหรประเทศไทยเป็นใดเป็นเอกราชมาเพราะเหตุใดเอในตระกูลใดเอในตระกูลในเมืองไท ย, ยตีรักษานอกจากตระกูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเน่ยคือในหลวงราชการที่ห้ะ เป็นผู้ปกป้องรักษาประเทศชาติของเฮาจนหนีออกจากปากเกียวปากกาออกจากสิ่งที่หายาณาเล่านั้นออกมาเป็นเอกราชขึ้นมาบกเป็นขีขกาของไผ่เพราะพระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้มีสติ ป, ปัญญาเฮออ็ดอย่างไรเพื่ยังหนีไปไหนอานุูซิประวัติศาสตร์ศึกษาดูซออิสมัยนั้นก้อนที่ไปประเทศอื่นใดว่าแ ม, ม่นไปได้ไง่ายๆขี่เฮ้อไปบกขี่เครื่องบินไปเครื่องบินมันก็บมีหม่องสิล่งอีกต่างหา ขี่เคื่อไปพูน่ะไปยกเมื่อไหวจากเยอรมันพ่น่ะซอยภูขาโดยเทินพูน่ะไปหารัะเซียซอยประเทศภูขาโดยเทินเอประเทศละเซียกับเยอรมันเขายังปกป้องเขามาเออยานะประเทศไทยเขากําลังจะพัฒนาอยู่อย่าไปแบ่งประเทศเขาเนอะมาหาอํานาจเราน่ะยันเลยโคดถอยออกมาประเทศไทยก็ตึงเป็นเอกราชมาตปรปางพุ่น เป็นปยกมือหวายต่างประเทศเขาพ่อแห้งเลยเขาให้ใหใหเขาคุ้มคล้องให้นี่แหละถ้าว่าบแมนสติปัญญาเลยที่ว่าจังไหนไอ้บอมแมนจะปุ๊บเปล่าไปตัวเองมีนาเก่งเขามีปืนลูกซองมันจะไปยิ่งเขาอะไรจังไหนไอ้ต่างประเทศเราหนั่นงทันแหละอไอ้บริหาผู้อื่นมาซอยแต่ราชการที่หานะ่ยมันแลรงไปหาประเทศที่นใหญ่กว่าได้เห้มาคุ้มคล้องมาปกป้องประเทศเ่านั้นเขาขู่จ้า ก, กัน ยาได้กประเทศไทยนะเอาไว้ก่อนหน้าประเทศไทยยังรอดจากปากเยียวปากกาม마เป็นเอกราชนี่แหละเซีงโมเนเขาต้องอ่านดูประวัติศาสตร์ความเป็นมาประวัติศาสตร์ค้ามนี่แหละเงยไผ่เป็นผู้ปกป้องเข้าจะไปดูถูกเหยียดหยามเพิ่นบ่ได้มาถึงจุกนี่ก็เถื่นเพิ่นก็ดูแอดธนุถนอมมาตลอดโครงการพระราชดําริใเท่าไหเวลาเกิดซึกสงครามกลางเมืองขึ้นมาเน่ยเพิ่นออกมาหาซึก ลูกหลานจะข่าจะฟันกันนะลูกหลานเนี่ยหนึ่งมรู้ว่ากี่ขั้นที่คันวาา่าเฮ้าเดได้ฟังประวัติศาสตร์ได้อ่านประวัติศาสตร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววงศ์สกุลของเพิินเนีอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งจากนั่นมาถึงเว่าถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ราาารย่างหลวงพ่อเนี่ยเขาลบหลวงปู่หลานอันับแปลกตรงพอเป็นเน่นน่อยบวช อ, อยู่ลำเพิินอายุสิบเอ็ดสิบสองปีสิบเอ็ดย่างสิบสองนะปะ ยบปลอยีเข้าไปล้มปูกับสอนอกาบจังสี่นะเข้ากาบกับกาบพราะที่นั่ง ต, ต, ตมัพผ้าเพียบประกาบโมแมต่ต้องนั่งคู่เขาถ้าเป็นผู้ชายนั่งแบบนี้ต้องค่อยกาบกาบตรองห้างจังสี่อา ว, าพอาวา้พระไว้โนกว่าใเห้นฟังเนอกว่านโมกน๊ก น, นโมตัดสะนโมทัดสะพระเกวตัวละตัวสัมมาสัมพุทธทัดสะบโมแม่นโมทัดสะ พระกวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุท ธ, ธัสสะตัดกับทัดนะ่าไปว่าคือกันบ่ไรเชีงโมนีเห้าดิเนี่ยดำโมกันดเนี่ยมาจากหลวงปู่หลาเปิ้นสอนหรอมะจังว่าเป็นผู้มีอุปกรารคุณเบื้องต้นสอนธรรมะแนวความคิดเรื่องธรรมะอันดับแรกนี่ยคือหลวงปู่ต่อมากก็มาเลี่ยนกับหลวงปู่จามอีกต่อมากเรเลี่ยนหลวง คู่บาอาจารย์หลวงปูแวนหลวงตามหาบัวเดืเลีเ่ยนมากอยู่กับเพลินถึงสิบสี่ปีพอโลกออกจากหลวงตามหาบวัวพ่อแล้วอายุสาสิบกว่าปีอยู่น้ำหลวงตาสิบี่ปีแล้วก็ดูแลรอบหลุมัดทุกอย่างหลวงตามหาบวัวรอบจัดว่าอะไปเรื่องจะพูดกับขู่ก็พ่นเรื่องจะปฏิบัติตนแบบใดแบบใดเรื่องทําวินัยเป็ว่ารอบจัดหลวงตามหาบวัวในความุตรซื้อกองหลวงพ่อเนี่ย ผมมีกูบาลอาจารย์องค์ไดอีกแล้วเพราะ่นออกจากลงตามากก็เลยมาสั่งวัดปานะคำหน่อยก็พอได้ไปอยู่กับองค์ใดอีกต่อไปก็คือว่าพ่อการศึกษาเป็นเลวลายี่สิบกว่าปีพูดที่จบปริย่าเอกดก็คงจะบนขนาดนี้แล้วมั้งหลวงพ่อกับพวกแม่หลวงพ่อ บ, ออบเลเล่ยอยู่กับกูบาลอาจารย์ศึกษาอยู่ตลอดเรียนอยู่ตลอดปฏิบัติอยู่ตลอดเรียนทุกวิชา วิชากอฉ า, างวิชาแน่วความคิดวิชาครบกระผูกกระพ้นวิชาใช้ภาษาวิชาธรรมะวิชาแน่วความคิดต้นต่อของเรื่องทั้งหลายทั้งปวงคิดนัมันออกมาจากใจทั้งหมดดัดใจใจนั่นแหละเป็นไงใจนั่นแหละเป็นหัวหนา้าข้านว่าใจของห้าวซัวเสยอย่างเดียวถ้าอื่นก็ซัวไปนล้คิดกระซัวพ่อคิดซัวลราพูดกระซัวทํากระซัวเพราะนั้นเบื้องใจเจ้าของเอาใจเจ้าของให้มีธรรมะนะ อันนี้ร่วนแล้วแต่พอแม่คูบาอาจารย์เพิ่มมันแนะนําสังสอนผมเรื่องทั้งหลายออกมาจากใจเพราะนั่นนายศึกษาใจเสยอย่างเดียวทันไรจบในหลักของพุทธศาสนาขั้นพูทธได้ชาระใจได้ทันไะเป็นว่าอาเสียขผู้ไม่ต้องศึกษาเนี่ยก็เป็นพระหรหันแล้วไม่ต้องศึกษาอีกต่อไปขั้นชําระกิเลสได้แลว้วเียาวเป็นพระอาเสขะผู้ไม่ต้องศึกษาขั้นว่ายาย่งศึกษาภายนอกอยู่น่นเป็นว่าพระเสียขา พระเสคาเนี่ยเขี้นหมดจะจบจักเขี้นประไตรปิดกแล้วไปจังแล้วเพราะเขี้นเขี้นกิ่งเขี้นงาเขี้นในขาขาของมั่นเขี้นเขี้นยอดเขี้นนั้นของมันแต่ว่าเขี้นของพุทธศาสนาดีเพราะพระพุทธเจ้าให้เขี้นหักหากแก้วมันนะที่มันอย่างหึกเนี่ยคืออย่างนี่คือให้เขี้นใจแต่ว่าเขี้นใจจบอย่างเดียวอะเสขะผู้ไม่ต้องศึกษาคือเป็นพระหานแล้วนี่แหละ อันนี้ก็คือบุพการีในแน่ความคิดพ่อแม่คู่บาอาจารย์ถ้าว่าบ่มีพ่อแม่คู่บาอาจารย์เข้าใจหูได้เห็นได้จังไหนเรื่องถ้ำข้ามสอนเพราะฉะนั้นจึงถือว่าบุพการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนมีอยู่สีที่หลวงพ่อจัดเรื่องลาดับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ส่วนหนึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จอต่อมากก็คือพ่อแม่ของเข้าต่อมากก็คือ เจ้าฝ้าเจ้าแผ่นดินนี่ที่ปกป้องประเทศชาติให้เขาลมเย็นเป็นจุขอันที่สีก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนส้างพวกเข้าพวกเข้าควนลำลึกถึงถ้าพระกุศลเรานั้นจะว่าบุพะการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนพวกเราจะแสดงความกระตันยูอย่างไรกระตันยูอย่างไรเข้ากับกราบ พระพธเจ้าขอกราบพระพุทธเจ้าประธทับประสงค์ด้วยความเคารพคารวะอย่างยิ่งมอบกายถวายตัวอข้าพเจ้าได้ผัสประมาทพลาดพังพระพุทธเจ้าประทัมพระสงค์ด้วยกายด้วยว่าจ่าด้วยใจขอประทานโอโหสีให้แก่ข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าจะสาร่วมระว่างต่อไปข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพังพอแมของข้าพเจ้าด้วยกายด้วยว่าจ่าด้วยใจก็ดีโดยคิดบ่ดีก็พอก็แม่ก็พอแมโอโหสีให้ข้าพเจ้าด้วย ข้าพเจ้าจะสํารวมระว่างต่อไปเอข้าพเจ้าอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยพื้นแผ่นดินไทยคือเจ้าฝ um ่าเจ้าแผ่น hmm. ดินผู้ปกป้องมากผู้ใดก็ตามผู้ปกป้องแผ่นดินไทยจะเป็นตํารวจทหารอรักษาประเทศชาติอประเมินทีพระเจ้าแผ่นดินองเดียวอทหารพระเจ้าตากเท่าไรผู้ปกป้องแผ่นดินไทยเจ้าฝ้าเจ้าแผ่นดินปกป้องมากเป็นทอดๆมากข้าพเจ้าขอ แสดงความเคารพนับถือเรื่อมใสแสดงความเคารพต่อเจา้าฝ่เาเจ้าแผ่นดินอด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจที่ให้ข้าพเจ้าได้รับความผ่อนเย็นเป็นชุกมากขนาดนี้ข้าพเจ้าขอมอบกายขอเคารพครวะพอแม่คู่บาอาจารย์ที่ให้ธรรมสอนสัง่งข้าพเจ้าให้หู่จักตีหู่จักชั่วเป็นผู้ผ้าน้ามประพุทธปฏิบัติ ข้าพเจ้าคิดพอดีตอพ่อแม่คู่บ่าจานเขาขอพ่อแม่คู่บ่าจารย์จงอโหสิให้แกข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าจะสำรวมเราบ้างในเรื่องเหล่านั้นนะเสียงเรานี่ถ้าว่าเข้าเป็นอพุทธศาสนากช่อนดูว่าเข้าไรรับการศึกษาดีนะให้รู้จักพระคุณมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมที่ดีเข้าต้องลำลึกจังซี่มันจึงจะถูกต้อง เออบอแมนสิ่เขารบผู้นึ่งก็ไปเหยียบผู้นึงเออเขารบหลวงพ่ออินก็ไปเหยียบหลวงพอ่อซาลี่หลวงพ่อสดมันบอมแมนคูบาอาจารย์พันไม่ดีมัตทุกโงนะ่เน่ะเออแต่ว่าดีของเพิรนจะให้คืบกันใดจังไหนเออพ่อแม่ของเฮาก็คือกันพี่น้องของเฮาก็คือกันเพิรนต้องมีดีทุกอย่างไม่มีมีดีทุกอย่างเออเพิรนยังอยู่ใดจังสันเออเพราะนั้น พวกเข้าทุกๆัวข้นให้หูจักให้แยกแยะให้ให้ว่างตัวให้มันถูกให้เบิ้งจบของสรุปแล้วเจ้าของมันมีดีจังไหนมันมีสัวจังไหนทางว่าพวกเข้าเบิ้งจบของแล้วพวกเข้าจูจักการปรับปรุงตัวการวางตัวให้ถูกต้องสถานะของเราอยู่อย่างไรสถานะของเราเป็นอะไรในขณะนี้นกันพวกเข้าหูจักสถานะของเจ้าของและการว่างตัวก็จะถูกต้อง ขั้นหมูจักเจ้าของนะลืมเจ้าของนั่นแหละกูเป็นไผกูเป็นไผ่ให้สู้กูมันกูบอกนะเถามผู้อื่นอีกคนหนึ่งไปสู้กูมันกูบอกนะเพรอะไรเพราลืมเจ้าของคนหนึ่งขณะเจ้าของเนี่ยหมูจักเจ้าของสู้กูมันกูบอกนะจะแมนไผกันเพราแมนเจ้าของนี่แหละอันนี้เรขอฝากไว้ครับคณะจัดทายาดโยมทุกทุกลานทุกขู่ทุกคนนะ ปล่อยฟังทางนี้ทางนั้นก็เพื่อเป็นแนวความคิดให้ปวดเข้าในใจจิติใชจปญัญญาแนวความคิดให้กว้างไกลเปิดให้กว้างหัวใจอย่าให้มันแคบเปิดให้กว้างแล้วก็ใช้ปญัญญาเปรียบเทียบแล้วก็ใช้ปญัญญากันกรองไตรตรองรูปเหตุและผลที่หลวงพอวอ่อว่าทั้งทั้งนี้ทั้งนั้นบล่อยเสื่อที่เดียวได้อผู้ใดเสื่อที่เดียวหลวงพอวอ่อว่ายังเสื่อมั่ะเป็นไข้หลวงพอ่อโนะไปหลวงพอ่งพอจูงไปเหตุให้เหตุหน้าจูงไปได้มั้อ อันนี้ล่มพอ่อบโบดิจูงเนะี่ยเป็นแต่ว่าชี้แนลนะคำพูดอย่างนี้ถูกต้องไหมอย่างที่พระพุทธเจา้าพระพุทธเจา้าบอกว่าเราตถาคตเป็นผู้บอกทางเท่านั้นไม่ใช่เราตถาคตเป็นผู้ผ้าหนําสูเจ้าไดนะ้เป็นผู้บอกทางไนดะ้อันนี้ผิดเนอะอันนี้ถูกเนอะอันนี้ควนบกค่วนนะเนอะอ่เท่านั้นแหละอันนี้คืกอกันร่มพ่อเป็นผู้แนลแนวเราเป็นผู้บอกกล่าวให้พวกเข้าได้ฟังได้ศึกษาจิงบอตีล่มพ่อว่าเนะี่ย ขั้นจริงเลยเออใช่ก็ยอมรับเมื่อย่อมรับก็นํ่ไปประพฤติธปฏธิบัติในสิ่งที่ถูกต้องขั้นโมจิงเอาคิดไปก่อนเอาไว้ก่อนคิดมาอีกหาเหตุผลมาคิดอีกนั่นแหละคือเนี่ยคือผู้มีปัญญาหาเหตุผลน ะ, ละตอนนี้ไปรับพรนะตอนี้นะอนุโมทนาให้พ่อ